ฟังดีเคโรคาทอลิกสวัสดีนะคะคร FM ครอบครัวข่าว 106 เราก็มาพบกันเป็นประจำทุกวัน ความจริงสําหรับทุกคนเค้าจะเปรียบเทียบเป็นการเริ่มต้นค่ะอืมแต่เนื่องได้มั้ยคะได้เป็นรัฐมนตรีอวุโสแล้ว ก็มีคนที่อยู่ข้างหลังนะคะมีคนที่อยู่ข้างหลังนะคะคุยกันแล้วอืมชีวิตๆนะอืมถึงยังก็ได้ยินอย่างนี้เออจํา ก็คือจุดจบเนี่ยจริงๆแล้วเรา มันเป็นยังไงอ่ะคือพุทธเจ้าให้พูดถึงเรื่องการมรณสตินั่นคือการระลึกถึงว่าเอ๊ะเอ่อทุกคนก็ต้องมีจุดจบอย่างเงี้ยเหรอแล้วเราเรา เราตื่นช้ามาวันหนึ่งเฮ้ยเราใกล้ความตายเข้าไปวันหนึ่งแล้วปีนึงผ่านไปอัยยะเราใกล้ความตายเข้าไปอีกปีนึงแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามีแต่จะใกล้ ไม่ใช่ว่าเราว่าคิดให้เราว่าเราจะต้องตายจะ<ใช> ว่าภาษาอังกฤษเข้า we are subject to death นั่นก็คือว่าเรามีความแต่แต่ถ้าเจอเนี่ยอาจจะเจอคือความตายเนี่ยมีเอ่อ เอ่อถ้าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ใช่ว่าเรา เฮ้ยเราควรจะต้องพ้นจากความตายได้นะค่ะเดี๋ยวอ่าเพราะว่าอืม เข้าใจเหมือนกับที่ท่านคิดว่าคนทั่วๆไปเข้าใจกันนั่นแหละนะคะว่าเมื่อพูดถึงประโยคเมื่อสักครู่ใช่มั้ย ท่านคะแต่ทีนี้เรากําลังพูดถึงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดมาแล้วก็เกิดแล้วต้องดับไงคะ อมตะในที่นี้ก็คือว่าจิตของท่านเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เอ่อปรินิพพานตรัสรู้ตรงนั้นน่ะนะเป็นพยายามทํา อืมอ๋อเกิดมาแล้วนี่เกิดแล้วดับแน่แต่ท่านก็เลยจะบอกว่ามันไม่ใช่เพราะพระพุทธพระพุทธองค์ได้พูดถึงวิธีทําให้คือเพื่อพ้นจากความตายนะคุณเดี๋ยวคุณอ่าเพราะ เราพ้นจากความตายได้พ้นจากความตายได้คนที่อาศัยตระกรกอสเป็นที่พึ่งตระกรกอสเป็นผู้นําค่ะงั้นอย่างงี้ถ้าสมมุติว่ามาถึงตอนที่ทํา พ้นยังไงล่ะคะเอ่อจะพ้นจากความตายได้ต้องเอาเหตุของความตายออกว่าสมมุติคนบอกโอ๊ยชีวิต แล้วคุณจะไปดับตรงตายเนี่ย 4 ถูกมั้ยพอเราไม่ ทีนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณต้องการให้ไอ้เจ้าอวิชชามันดับไป แต่แต่โดยฆ่าตัวตายเพื่อหวังจะได้ไม่ต้องเกิดอีกมันก็ผิดอยู่ เหมือนจริงมากๆเลยบางทีเราหลงคิดว่าเอ๊ะนี่เราเป็น<ะ> นะเราเปลี่ยนความคิดไปกระตายจากความคิดนี้ไปเกิดที่ความๆนะถ้าจิตไม่ก้าวลงตามแล้วเนี่ยจิตนั้นก็จะพ้นจากความตายนะ นะไม่มีปัญหาที่ว่าต้องไปเจอเรื่องไม่เราเนี่ยไปก้าวลงใน ไอ้ที่ให้เราพ้นจากความตายได้จะต้องเจอความตายค่ะมันมีอยู่เพราะฉะนั้นประเด็นในใช่แล้วก็จะได้มาศึกษากันต่อไปก็จะได้มาศึกษากันต่อไปว่าเกิดมาแล้วแต่ พระเจ้าน่ะนั่งอยู่ในวังตอนเป็นยังเป็นพฤษัตต์อยู่ค่ะเป็นพฤษัตต์ยุบยิบจุบจิบว่าก็ไปแอบฟังๆหยีขยะ เออคนนั้นเนี่ยโอ้โหตัวเจ็บเดินก็ป่วยอ้วกแตกนอนจมกองมุ่นกองขู่ตัวเองอุ้ยขยะแขยงก็มันคิดอ่ะนะมาคิดบริษัทกับมาคิดพิจารณาเอ๊ะ คือตัวเองเนี่ยจะต้องรู้ว่าตัวเองต้องเจอปัญหาแต่ตัวไม่ตัวเองไม่ทําอะไรกับปัญหาตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่ง เหมือนแกก้มหน้ายอมรับมันเฉยๆเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่ะเราเห็นสถานการณ์เนี้ยโอ้บริษัทคิดอย่างค่ะอืมนะ ที่เราเป็นศิษย์พระศาสดาต้องใช่เพื่อที่จะมาแก่แล้วก็จะมาตายอือแต่ทีนี้ในขณะไประหว่างทาง เรากล่าวการ 4 ว่าเป็นไปกับว่าเป็นไปกับ แล้วนะคะอือค่ะท่านผู้ฟังคะอันนี้สําคัญมาก กราบด้วยสัมมนาทีเดียวนี่ประชาตรัสค่ะก็กราบนมัสการขอบพระคุณ เราติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่นะคะ FM 106 เรานะคะ